มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวรวะอุทกสะสัตตชีวปัญหาที่ห้าถามว่าน้ำเย็นจะมีชีวิตกระมังเมื่อตั้งขึ้นบนไฟต้องเพลิงร้อนจึงมีเสียงร้อง ราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาขาเสนฆ่าแต่พระน า, าเกษรผู้ปรีชายานอีทางอุทากังอันว่าอุทากังนี้ใส่หม้อตั้งบนเตาไฟทำไมจึงร้องดังนี้เล่าเมื่อต้องเพลิงร้อนนั้นกินนุโ ข, ขพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุชไหน อุทกังนั้นมีชีวิตจิตใจกระมังอุทกังตั้งไฟจิงร้องหรือสิ่งไรให้มีเสียงเล่าพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอุทกังนั้นจะมีจิตจะเป็นสัตว์มีชีวิตหาไม่ได้อุทกังนั้นต้องไฟอันร้อนด้วยกำลังไฟร้อนกล้านั้น จึงร้องให้เป็นเสียงคลางต่างๆไปนะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาขาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาติฐิยาอันว่าเดรัจฉทั้งหลายย่อมถือว่าอุทกังเย็นนั้นเป็นสัตว์มีชีวิตเดรัจฉีทั้งหลายจะได้บริโภคหาไม่ได้ถือว่าอุทกังอันร้อน เป็นน้ำตายเดรัทธีทั้งหลายจึงพากันบริโภคอุทธกัรร้อนนั้นติเตียนซึ่งท่านทั้งหลายว่าเราสมณะสากยาบุตรย่อมพากันเบียดเบียนซึ่งอินทร์แห่งสัตว์ชนิดหนึ่งตราบเท่าสิ้นชีวิตพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงอธิบายให้แจ้งจงได้ทำลายล้างซึ่งถ้อยคาเดรัทธีทั้งหลายอันถีมิจฉาทิฐินั้น พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอุทะกังจะมีชีวิตหาไม่ได้อุทะกังใช่สัตว์ใช่ชีวิตอุทะกังต้องกำลังเพลิงอันร้อนจึงมีเสียงต่างๆถว่าอุทะกังเย็นเป็นสัตว์มีชีวิตอยู่แล้วก็จะกระทําเสียงต่างๆเปรียบดังอุทะกังในสระในบอ่อ และอุทกังในท้องถานห้วยลหานเหมือนน้าทั้งหลายต้องแสงสุริยะฉายลมรําพายพัดในคิมหันตะฤดูอุทกังในสระในบ่อท่อทานห้วยลหานหินสิ้นทั้งนั้นก็มีแต่ยุบย่อแห้งเหือดไปด้วยแสงสุริโยไทยอุทกังนั้นให้เสียงต่างๆเหมือนอุทกังที่เขาต้มหรือประการใดณนะบ่อพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองคงการตรัสว่าอุทกังนั้นจะได้ร้องเหมือนอุทกังต้มหาไม่ได้พระนาคเกษ็ถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชจะสมผานอุทกังชีเวยะอุทกังเย็นนั้นมีชีวิตแล้วแหลแดดลมเผาจนแห้งไปกรณีก็จะร้องบ้างนี่สิก็หาร้องได้ไม่เลย จะว่าอุทกังมีชีวิตอย่างไรมหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟังเหตุอุปมาให้อุตริภาวะยิ่งขึ้นไปเปรียบดุดชนหุงข้าวสาวข้าวแล้วเอาใส่ลงในหม้อแล้วเอาอุทกังเทลงก็เป็นเม็ดรพรุ่งขึ้นอุทกังเย็น เป็นสัตว์มีชีวิตเจ็บบวดอะไรจรึงเป็นเม็ดรพรุ่งขึ้นในหม้อนั้นเล่าอีกประการหนึ่งเมื่อยังไม่เอามอขึ้นตั้งนั้นอุทธกังในหม้อนั้นวันไหวร้องขึ้นด้วยเสียงต่างๆหรือหาไม่ได้พระเจ้าวิลินจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อหม้อยังไม่ตั้งอุทะกังในหม้อนั้นจะได้ไหวและมีเสียงหาไม่ได้พระนาคเษนจึงถามว่า มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อบุคคลยกเอาหม้อข้าวขึ้นตั้งบนเตาไฟอุทกังนั้นเงียบสงัดไม่หวันไหวไม่ร้องดอกหรือประการใดพระเจ้ามิลินภูมินทราธิ่บดีตรัสว่าหาไม่ได้เมื่อบุคคลยกหม้อข้าวขึ้นตั้งบนเตาไฟนั้นอุทกังในหม้อนั้น ไววพรุ่งพลานเป็นมรลอกไปรอบในหม้อแล้วเป็นฟองขึ้นมาเบื้องบนพระหน้าเกษจึงมีเทระวาจาถามว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอันว่าอุทกังในหม้อข้าวอันตั้งเหนือเตาไฟนั้นจะลาจนหวั่นไหวแท้สองเป็นมะลอกไปรอบหม้อแล้วเป็นฟองฟูมขึ้นบนปากหม้อแล้วกระทาเสียงต่าง เป็นเหตุชะไหนบ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีจึงมีพระราชโอ่งการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุทากังน้ําข้าวนั้นวันไว้เป็นมาลอกเป็นฟองร้องด้วยเสียงต่างๆนั้นด้วยกําลังไฟร้อนพระนาคเกษนจึงถวายพระพรว่าบ่อพิษพระราชสมภารจงเข้าพระไัยด้วยประการดังนี้ อุทกังจะมีชีวิตหาไม่ได้จะเป็นสัตว์มีชีวิตก็หาไม่ได้อุทกังนี้อาศัยร้อนเปลวไฟจึงกระทาเสียงดังไปมีประการต่างๆบ่อพิษพระราชสมภารจงสวราการอุปมาอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าอุทกังบุคคลตักเป็นวาระคราว ใจองค์อ่างไว้ที่เรือนนั้นมีอยู่หรือบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิเบตีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตอุทกังที่เขาตากไว้ในเรือนเป็นครา ว, ราวนั้นมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเถระวาจาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารดังอัตตมาจะถาม อุทะกังนั้นหวันไหวเป็นมรลอกเป็นฟองร้องต่างๆบ้างหรือหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าป้ากะติกังอุทะกังนั้นเป็นปกติอยู่พระนากเกษนผู้ปรีชาฉลาดถามอีกว่าขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารสุตะปุพัง จะไม่ได้สาวนาการฟังบ้างหรือประการใดมหาสมุทเทอุทกังน้ำในมหาสมุททะเลหลวงอันใหญ่ย่อมวันไว้ป่วนปั่นเป็นมรรลอกคลื่นอยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันย่อมไหลาลางแทสซ่านไปทิศวิทิสังสูทิตใหญ่และทิศน้อยเสียงพิลึกกึกกล้องอยู่เป็นนิดยนิยรันดนมิได้ขาด บพิษพระราชสมภารได้เคยทรงเสวนาการฟังบ้างหรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราจึงตรัสว่าอามะพันเตพระเจ้าข้าโยมได้ยินอยู่พระนากเกษมผู้เป็นอรหาธิ์ปดีจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอุทะกังที่ประดิษฐ์สถานลอยอยู่ในอากาศชื่อว่าอากาศคงขานั้น ล้มหอบไว้ลอยอยู่ไกลกันได้ร้อยศอกบ้างสองร้อยศอกบ้างสถิตอยู at ่ห yes. ่างๆกันเหตุไรเหตุว่าอ cool. ุทธากังนั้นไหวพุ่งขึ้นไปเบื้องบนเป็นวาระคือเป็นคราวเป็นครั้งเป็นเมื่อครั้นอุทธากังพุ่งขึ้นไปเหนืออากาศล้มหอบไว้แข็งเป็นก้อนใหญ่ก้อนน้อยลอยอยู่เป็นหมู่เป็นหมู่สมมติเรียกว่าเป็นเมฆ ครั้นลมบนพัดก้อนเมฆนั้นก็กระทบกระทั่งกันแต่กระจายกลายเป็นฝนตกลงมาอันว่าอากาศคงคาซึ่งพุ่งขึ้นไปบนอากาศเป็นคราวๆและอุทกังที่บุคคลตากตั้งไว้ในเรือนเป็นคราวนั้นชื่อว่าวาระอุทกังตกว่าวาระอุทกังดังนี้ฉะไหนจึงไม่ได้ตีฟองนองระลอกไปเหมือนอย่างน้ําในมหาสมุทร เป็นเหตุชะไหนเล่าณบอ่อพิษพระราชสมพานสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโอลงการแก่ว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันว่าอุทะกังอันบุคคลตรักตั้งขึ้นไว้นั้นลมไม่พัดได้จึงไม่ได้มีระลอกคลื่นฟื้นเป็นฟองขนองไปอันว่าอุทะกังในอากาศคงคาลมพายุหอบไว้มิได้พักเบื้องบนเหมือนสายชนในท้องมหาสมุทร อุทะกังในมหาสมุทรตีฟองนองระลอกได้เพราะอาศัยกระทบกระทั่งลมลมพัดหนักจึงเป็นคลื่นระลอกตีฟองกระทำเสียงกล้องพิลึกไปได้พระนาคเสนจริงถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีอุทธกังที่บุคคลตั้งบนเตาไฟนั้นหวันไหวพรุ่งพล่านเป็นระลอกเป็นฟองร้องเป็นเสียงต่างๆด้วยเปลวไฟร้อนกระทบกระทั่ง ดุดดังลมอันกระทบอุทกังในมหาสมุทรนั้นณนมหาบ่อพิดอุทธกังจะเป็นสัตว์มีชีวิตจิตใจหาไม่ได้มหาราชขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชาสมผานผู้ประเสริฐธรรมดาว่าเพรีกลองน้อยกลองใหญ่บุคคลขึงขั้นไว้เป็นหน้าเดียวบ้างสองหน้าบ้างอย่างนี้มีอยู่หรือ พระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การารับว่าอามะพันเตมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเทระวาจาถามอีกว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเพริโยกรองนั้นครั้นบุคคลขึงขึ้นแล้วก็กลับเป็นสัตว์มีชีวิตจิตใ จ, จกระนั้นหรือประการใดณนะบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอลงการตรัสว่าณหิพันเตใช่จะมีชีวิตจิตใจหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงถวายพระพรถามว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐกลองนั้นไม่มีชีวิตจิตใจทําไมจึงร้องกึกก้องไปได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทราธิบดีตรัสว่า พันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้ากลองนั้นเขาตีเข้าด้วยไม้ด้วยมือจึงดังก้องไปกลองน้อยใหญ่ใจจิตชีวิตจะได้มีหาไม่ได้พระน่าเกษณจริงว่ายะถามีครุบนาฉันใดนะบ่อพิษพระราชาสมภารอุทธกังอันบุคคลต้มก็พรานพรุ่งเป็นฟองร้องดังเป็นเสียงน้อยใหญ่ด้วยถูกเปลวไฟ อุทกังจะมีชีวิตจิตใจเป็นสัตว์หาไม่ได้อุปมาเหมือนกลองอันบุคคลประหารดังกล้องเป็นเสียงน้อยใหญ่จะเป็นสัตว์มีชีวิตจิตใจนั้นหาไม่ได้มหาบาพิตรจงเข้าพระไทยเถิดมหาราชะขอถวายพระพรบพิตรพระราชาสมภารผู้ประเสริฐตกว่าเดียรถีทั้งหลายมาถือว่าอุทกังเย็นเป็นสัตว์มีชีวิต อุทะกังต้มร้อนแล้วเป็นน้ำตายกรณีหรือบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การรับว่าอามะพันเตกระนั้นแหละผู้เป็นเจ้าเดชะธีทั้งหลายถือว่าอุทะกังต้มร้อนนั้นเป็นน้ำตายอุทะกังเย็นนั้นเป็นอุทะกังมีชีวิตพระนาคเสด็ถวายพระพรว่าดูรานะบ่อพิษ เดรัทธีถือตามวิสัยของตนที่ปฏิบัติผิดเห็นผิดอุทะกังต้มร้อนนั้นซึ่งว่าเป็นน้ําตายกระนั้นอุทะกังที่ช้างทั้งหลายทั้งปวงสูบกินด้วยงวงนั้นอุทะกังไหลออกเสียงสนั่นก้องอุทะกังนี้ร้องจะไม่เป็นน้ําตายหรือด้วยว่าร้องเหมือนน้ําต้มอันร้อนมหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งเล่าธรรมดาว่าวานิชพ่อค้าบรรทุกของลงนาวาใหญ่คือสำเพอและกําปั่นจนเพียบพอการใช้ใบไปในมหาสมุทรอันใหญ่อุทกังซึ่งเป็นมราลอกซัตดไปกระทบกระทั่งนาวาก็ให้เสียงรอง้องก้องอุทกังนี้ก็ร้องจะมิเป็นน้ําตายหรือบอบพิษพระราชสมภารประการหนึ่ง มหามัจฉาชาติปลาใหญ่ติมติมิงคลาชื่อว่าติมติมิงคละอพันตเรณนิมุขาจมอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทอเนกสตะโยชนะกายโยมีกายยาวหลายร้อยโยทย่อมพ้นอุทะกังขึ้นไปบนอากาศอุทกังที่กระทบฟันปลาทั้งหลายนั้นดังเสียงสนั่นก้องในประเทศท้องมหาสมุทร อุทะกังนี้ร้องจะมิเป็นน้ำตายหรือด้วยเหตุมีเสียงร้องเหมือนอุทะกังที่ต้มตกว่าจะถือตามเดรัถีนั้นไม่สมด้วยอุทะกังต้มก็ร้องเหตุชะนี้จะเชื่อถ้อยฟังคําเดรัถีนั้นไม่ได้ขอบอพิทพระราชาสมผ่านจงเข้าพระทัยด้วยประการชะนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีก็สิ้นความสงสัย ให้สาธุการดุดในยะดังวิสัชนามาอุทะกัสสะสัตตชีวปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้